ปริญญิพานของพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าหรือว่าองค์าศาสดาปริญญิพานก็เฉพาะด้านกายหรอกด้านรูปกายซึ่งอันนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติของกฎสังขารทั้งหลายที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นพระองค์ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วว่ากฎของสังขารนั้นมันเป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละคือมันเกิดมาแล้วก็ต้อง แปรปรวนแล้วก็สลายหายไปสูญสิ้นไปดับไปในที่สุดอันนี้ก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนัแหละแต่ความเป็นจริงแท้แน่นอนของธรรมะก็ยังเป็นอย่างนั้นคนใดที่เห็นธรมะเห็นความจริงเห็นสิ่งที่พระองค์บอกคนนั้นก็ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราหรือว่า ผู้ได้เห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ก็เคยมีภิกษุในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือพอรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานภายในอีกสามเดือนก็พากันเสียใจนะบางตุ่มโดยทั่วไปก็คงเสียใจแหละเหมือนเราทั่วไปก็คงเหมือนกันก็พากันมาเฝ้าแล้วก็มาติดตามพระพุทธเจ้า นะพระพุทธเจ้าก็บอกกับท่านพระอนุนว่าดูก่อนอ น, นุนบางทีพวกเธออาจจะคิดว่าพอตถาคตล่วงลับไปแล้วเนี่ยาศาสดาของเราก็หายไปด้วยหรือว่าหมดไปด้วยตอนนี้าศาสดาของเราไม่มีแล้วครูของเราไม่มีแล้วอย่างนี้นะอาจจะคิดอย่างนี้กันบางกลุ่มบางคนนะ ส่วนบางท่านที่เห็นธรรมะแล้วท่านก็คงไม่มีความรู้สึกเช่นนี้หรอกแต่บางคนที่ยังไม่เห็นยังมีความอาไัยอาวร์ยังมีความติดข้องในด้านของรูปกายอยู่ก็จะยังคิดอย่างนั้นได้โทะงก็ตรัสกับท่านพระอานนว่าบางคนบางกลุ่มอาจจะมีความคิดว่ า, าศาสดาของเราล่วงลับไปแล้วตอนนี้าศาสดาของเราไม่มีพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า แต้ที่จริงนะไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะว่าทรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราบัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายอันนั้นแหละจะเป็นศาสดาเมื่อเราร่วงรับไปแล้วนะตัวธรรมะกับตัววินัยนะตัวสัจธรรมความจริงที่พระองค์ตรัส บ, บอกเอาไวา้เป็นตัวธรรมะตัววินัยคือระเบียบข้อปฏิพฤติปฏิบัติข้อฝึกฝนอันเป็นหนทาง ให้สาวกทั้งหลายเดินตามไปจนกระทั่งเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดอริยมรรคมีองค์แปดได้เห็นธรรมะอันนั้นแหละที่พระองค์แสดงแล้วบัญญัติคือนำมาบอกสอนแต่งตั้งเป็นข้อนั้นข้อนี้เอาไว้เพื่อให้เราฝึกฝนตามจนกระทั่งมีปัญญาอันนั้นแหละเป็นศาสดานะฉะนั้นตราบใดที่ธรรมะวินยัย คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องความจริงของสิ่งทั้งปวงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมะถ้าฝ่ายที่เป็นสังขารก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฝ่ายวิสังขารพระนิพนพานก็เป็นของที่ดำรงอยู่อย่างนั้นไม่เกิดไม่ดับแต่ก็เป็นอนัตตาคือไม่มีใครเป็นเจ้าของเหมือนกันนี้ฝ่ายธรรมะ คำสอนเรื่องนี้ยังดำรงอยู่แล้วก็คำสอนฝ่ายวินยัยฝ่ายที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติข้อฝึกฝนข้อบอกข้อเตือนว่าให้เราทําอย่างนี้จงทําอย่างนี้จงฝึกฝนอย่างนี้นะถ้ายังมีอยู่ก็ชื่อว่ า, าศาสดายังดำรงอยู่ทีนี้ในเมื่อาศาสดานําุำรงอยู่ก็อยู่ที่เราแหละว่าจะฝึกฝนตนเองตามหลักการหรือว่า ตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้สอนเอาไว้หรือเปล่าได้เกิดปัญญาได้เกิดการเข้าใจตามที่พระองค์บอกหรือเปล่านะตัวการประพฤติปฏิบัติที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ฝึกฝนให้รู้เท่าทันทั้งด้า น, านกายและด้านจิตใจรู้เท่าทันโลกอันนี้ก็าเรียกว่าตัวาศาสนาฉะนั้นาศาสดากับาศาสนาก็ไม่เหมือนกันาศาสดาเนี่ยเป็นผู้ที่ ได้ตรัสรู้แล้วได้รู้ธรรมะแล้วก็นํามาบอกมาสอนบอกความจริงและบอกวิธีปฏิบัติเพื่อรู้ความจริงอันนี้าศาสดาทําหน้าที่อันนี้เนี่ยก็คือพระธรรมวินัยนั่นเองเป็นาศาสดราของเราทั้งหลายทีนี้ตัวการประพฤติปฏิบัติตัวการฝึกฝนให้เกิดมีขึ้นให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาในตัวเราเองนี่แหละเขาเรียกว่าตัวาศาสนา นะฉนันมีทั้งเรื่องศาสดากับเรื่องศาสนาตัวศาสดานี้ทุกวันนี้ก็ยังดำรงอยู่ก็คือทำมรมควิทยในที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วประกาศเอาไว้แล้วอันนี้เป็นศาสดาส่วนศาสนาก็คือการละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตให้ทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จ ด้วยความไม่หลงลืมด้วยความไม่ประมาทด้วยการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยสติเต็มไปด้วยปัญญาอันนี้เป็นตัวาศาสนาทีนี้จะเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็อยู่ที่ตัวบุคคลทั้งหลายนั่นแหละนะนนพระพุทธเจ้าก่อนท่านปรินิพานท่านก็ได้สรุปรวบย่อคำสอนของท่านลงมาเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายเอาไว้ว่า ธรรมะทั้งหลายนั้นมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาธรรมะฝ่าย right thought สังขารนะมีความเสื <S <S ่อมไปเป็นธรรมดาวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตัวสังขารทั้งหลายก็คือสิ่งที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยกายกับใจของเราเองและสิ่งทั้งปวงข้างนอกที่มันเกิดขึ้นล้วนแต่เป็นของมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา นะเกิดมาแล้วก็ต้องแปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปอปมาเดนะสัมปาเดทะเจอทั้งหลายจงยังกิดทุกอย่างยังสิ่งที่ควรทําทุกอย่างให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทด้วยความมีสติสัมปชัญญะมีการรอบคอบในการใช้ชีวิตด้วยการศึกษาให้เข้าใจจนเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญานี่นะนี่ก็เป็นคําเตือนของพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายทีเดียวนะ ฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในเมื่อมันเสื่อมไปหรือว่าสิ้นไปสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงมันจึงเจริญขึ้นก็ได้มันจึงเสื่อมลงก็ได้มันอยู่ที่เรารู้เท่าทันมีสติมีปัญญาในการใช้ชีวิตในการนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนในการหรือว่านำมาเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองให้เข้าใจความจริงยิ่งขึ้น เอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นครูสอนบอกเตือนตนเองในการใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นถูกต้องขึ้นนะเพราะมันไม่เที่ยงนะมันจึงเจริญก็ได้แล้วก็มาเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเสื่อมก็ได้ทีนี้อยู่ที่เราทั้งหลายแหละว่าจะทำในฝ่ายที่มันเจริญหรือว่าทำในฝ่ายที่มันเสื่อมนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงภายใต้ความ เสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาแต่ที่จริงความไม่เที่ยงนี้เป็นเรื่องของโอกาสที่จะให้อะไรเปลี่ยนแปลงเป็นไปยังไงก็ได้ตามเหตุที่เราใส่มันเข้าไปนะอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ความรู้การรู้เท่าทันใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญานะครับอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บอกสอนเอาไว้ ชั้นเราทั้งหลายนะยุคนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะแล้วก็วินัยยังดํารงอยู่ก็ชื่อว่าศาสดาหรือว่าพระพุทธเจ้านั้นยังดํารงอยู่ตัวศาสดาตัวครู น, นี่ตัวผู้สอนนั้นยังดํารงอยู่ทีนี้ก็อยู่ที่เราทั้งหลายแหละว่าจะทําศาสนาทําคําสอนให้มีขึ้นหรือว่าเอามาใช้ในชีวิตของเราได้หรือเปล่า คำว่าเอามาใช้นี่ก็เป็นคำพูดแบบทำนองว่าธรรมะมันอยู่ใกล้ตัวอยู่แต่โดยแท้จริงแล้วเรื่องธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องเอามาใช้ตรงนั้นเอามาใช้ตรงนี้หรือว่าเอาหัวข้อนั้นมาใช้เอาหัวข้อนี้มาใช้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นการฝึกฝนให้มีธรรมะขึ้นให้เข้าใจมันนะเมื่อเข้าใจมันเมื่อเห็นจริงตามนั้นมีความเข้าใจถูกต้องขึ้น ธรรมะทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มีขึ้นเมื่อมีจึงจะได้ใช้นะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่พากันไม่มีธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่ยอมรับธรรมะตามที่มันเป็นจริงก็จะหาธรรมะข้อนั้นมาใช้หาธรรมะข้อนี้มาใช้เช่นถ้าประสบความไม่สาเร็จหรือว่าเจอเรื่องเศร้าโศกก็หาธรรมะข้อนี้มาใช้หาธรรมะข้อนนนนมาใช้เป็นเครื่องปลอบใจตนเองเป็นครั้งครั้งไป อันนี้ก็มองธรรมะคล้ายๆเป็นยาหรือว่าเป็นเครื่องอาบตนเองนะมันก็รู้สึกดสดชื่นบ้างเหมือนกันหนะ้าเวลาอาบน้ำใช่ไแต่ก็สดชื่นเป็นครั้งๆไม่ได้หายกระหายอย่างแท้จริงเพราะว่าเรายัางไม่มีธรรมะนะฉะนันมีวิธีหนึ่งที่จะช่วยเราได้อย่างแน่นอนและเด็ดขาดก็คือทาตนให้เป็นผู้มีธรรมะให เข้าใจธรรมะให้ทราบซึ้งกับธรรมะและมีธรรมะขึ้นมาในใจเมื่อมีธรรมะแล้วก็จะได้ใช้เหมือนกับได้ดื่มน้ำลงไปก็หายกระหายเรามีความทุกข์มีความร้อนใจมีความขัดข้องวิตกกังวลมีความไม่เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อเข้าใจธรรมะได้รู้ธรรมะมีธรรมะก็หายกระหายหายอยากหายทุกข์หายโศกเขาว่าอย่างนี้นะ เราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็รอโศกทีหนึ่งค่อยหาธรรมะเนาะเนี่ยมันไม่มีธรรมะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับทั้ง่พระพุทธเจ้าท่านเตือนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนี่เนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็ดำรงไปแล้วก็เป็นไปอย่างนี้นั่นแหละแต่พระองค์สอนให้เป็นผู้ไม่ประมาทนี่ไม่ประมาทหมายความว่ามีชีวิตอยู่ อย่างมีสติมีความรู้ตัวรู้ตัวในการพูดในการทําในการคิดต่างๆว่าเราคิดอย่างนี้จึงไปทําอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงมาพูดอย่างนี้เนี่ยการรู้ตัวอย่างนี้จะทําให้รู้เท่าทันตนเองแล้วก็รู้ว่าใช้ชีวิตแบบไหนมันมีประโยชน์ใช้ชีวิตแบบไหนมันไม่มีประโยชน์แบบไหนมันสร้างทุกข์แบบไหนมันสร้างสุขให้กับเราเราก็สามารถเลือกมันได้นะ อย่างที่เราเคยที่เราได้ไปเมาเมื่อวานเนี่ยเกสริยาใช่อ่าพระพุทธเจ้าก็แสดงเกสัพยาบุตรสูตรหรือว่าเขาเรียกกันหลังๆว่ากาลามาสูตรซึ่งเราที่เป็นคนชอบเรียนวิทยาศาสตร์คงจะชอบฟังอันนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เชื่ออันนั้นไม่ให้เชื่ออันนี้อย่าเชื่อเพราะว่าฟังฟัง ต, ตามกันมาอย่าเชื่อเพราะเขาว่ากันมาอย่างนี้อย่าเชื่อตามประเพณี อย่าเชื่อเพราะอ้างตำราจนกระทั่งอย่าเชื่อเพราะถือว่าคนนี้เป็นครูของเราอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ที่จริงอันนี้เป็นข้อควรคำหนึงหรือว่าข้อพิจารณาขั้นต้นเพราะว่าในเหตุการณ์ในเกสศพุตตานิคมก็คือเป็นเขตแดนเป็นชายแดนฉะนั้นก็มีครูต่างๆหรือว่าผู้รู้ต่างๆผ่านมาผ่านไปอยู่เรื่อยผู้รู้จากเมืองนี้ไปเมืองนั้นผู้รู้จากเมืองนั้นไปเมืองนี้เวลา จะผ่านเมืองไปก็แวะพักแถวๆนั้นครูคนที่หนึ่งมาก็บอกว่าแบบนี้นะถูกที่สุดแบบอื่นใช้ไม่ได้ครูคนที่สองมาก็ไอครูคนแรกน่นมันไม่ได้เรื่องแบบเราเนี่ยถูกครูคนที่สามมาก็อ้าวไอสองคนนั้นยังไม่รู้จริงต้องแบบนี้เพิ่มเข้าไปนะเหมือนเราทั้งหลายนะนะพวกสแสวงหาครูเนี่ยก็แงนหน้ามองคนนั้นแงนหน้ามองคนนี้อันไหนจะถูกอันไหนจะผิด อาจารย์นี้ว่าอย่างนี้อาจารย์โน้นว่าอย่างโน้นบางอาจารย์ว่าอย่างนี้บางอาจารย์ว่าอย่างโน้นก็คล้ายๆกับชาวเกศาปุตตะเหมือนกันนะก็คล้ายๆกันทีนี้พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาบ้างก็มาองค์หลังๆเขาแล้วแหะนะพวกชาวเกศาปุตตะนี่ก็เข้าไปเฝ้าเหมือนกันก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยพวกครูหรือว่าผู้รู้คนไหนมาก็บอกเหมือนกันนี่แหละว่าของตัวเองถูกที่สุดของคนอื่นนั้นก็ ผิดบ้างถูกบ้างหรือว่าถูกเหมือนกันแต่ไม่ดีของตัวเองนีดดีที่สุดเลยไม่รู้จะเชื่อใครดีพระสมณะโคโดมเนี่ยจะว่ายังไงกับเขาบ้างพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรื่องนี้บอกว่าท่านทั้งหลายนะอย่าได้เชื่อตามที่ฟังฟังกันมาอย่าได้เชื่อตามคำเล่าลือกันมาอย่าได้เชื่อตามที่เขาอ้างในตำราหรือว่าเขียนเอาไว้ตามตารา ตามประเพณีทำประดามประรากันมาจนกระทั่งอยากได้เชื่อเพราะถือว่าคนนี้เป็นครูของเราต่อเมื่อใดที่ท่านมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตแล้วก็ลองพิจารณาดูที่จิตที่ใจตนเองที่การใช้ชีวิตของตัวเองว่ามันเป็นยังไงแล้วจึงค่อยละเลิกไปสิ่งที่ไม่ดีนะั้นละเลิกไปแล้วก็สิ่งที่ดีก็เพิ่มพูนมันขึ้นมา พระองคก็เลยตรัสถามพวกชาวเกศาพุทตะนะว่าพวกความอยากได้ความต้องการเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ล่ะความอยากความต้องการซึ่งทุกคนก็คงมีความอยากความต้องการอยากได้นั่นอยากได้นี่เยอะอยู่แล้วเราก็ลองพิจารณาดูมีพระพุทธเจ้าท่านบอกให้พวกชาวเกศาพุทตะฟังแล้วก็ให้ลองพิจารณาดูว่า ไอโลภะตัวความอยากได้ตัวความต้องการอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันนําความสุขหรือความทุกข์มาให้ล่ะอ่าเขาก็ตอบว่าโอ้เนี่ยมันนําความทุกข์มาให้มันเป็นอกุศลมันไม่ดีนะฮะอย่างนี้ก็ให้เขาพิจารณาต่อมาก็ถามมุตตอว่าไอโทสะความไม่พอใจความโกรธ ความไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ความพยาบาทเบียดเบียนกันเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันดีหรือไม่ดีมันนําทุกข์หรือสุขมาให้ล่ะเขาก็นะถ้าพิจารณาอย่างแท้จริงก็จะเห็นเลยทีเดียวเนาะว่าโอ้โทษะเวลามันเกิดขึ้นนี้มันนําความทุกข์มาใหนะ้ชาวเกสาวุตานิคมก็ตอบได้โมหะเนี่ยความหลงหลงงมงายอย่างนั้นอย่างนี้ อคนนี้พูดอย่างนี้ถ้าหลงไปตามเขาก็งงไปอีกแล้วคนโน้นมาก็อ้าวงงไปอีกแล้วคนนี้ว่าโน้นศักดิ์สิทธิ์อันนั้นศักดิ์สิทธิ์ก็เอาตามเขาไปอยู่เรื่อยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้จิตใจวนเวียนทําให้ต้องทํานี่ทําให้ไม่รู้ไม่เห็นความจริงอย่างที่มันเป็นต้องเชื่อคนนั้นไปเรื่อยๆต้องเชื่อคนนี้ไปเรื่อยๆว่าตามเขาไปเรื่อยๆเนี่ยมันนําทุกข์ด้วยสุขมาให้ล่ะเนี่ย เขาก็ตอบกันได้ว่าโอ้เนี่ยโมหะเวลามันเกิดขึ้นนี่นะความหลงเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยนําความทุกข์มาให้นะโทเสจ่าก็เลยสรุปว่าไอ้โลภะโทสะโมหะนี่นะมันเป็นอกุศลเนี่ยท่านลองลองพิจารณาดูในการใช้ชีวิตเนี่ยอันไหนที่ทําด้วยโลภะโทสะโมหะอันนี้ถ้ามันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีแลวก็แล้วก็ละมันไปเนี่ยนะ นี่ไม่ได้อาศัยความเชื่อใครนะอาศัยการมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตพิจารณาอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยเองนะทีนี้ก็ถามฝ่ายตรงข้ามอะโลภความไม่อยากได้ความไม่ต้องการเวลามันเกิดขึ้นนี่นะเราไม่ต้องการครอบครองสิ่งใดไม่ต้องการมีต้องการเป็นไม่ต้องการอยากได้หน้าอะไรเราเพียงแค่ทําไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ทําตามหน้าที่ของตนของตนไป อารมะเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันให้ความสุขหรือให้ความทุกข์มันดีหรือมันไม่ดีนะเวลาความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็ดีนะเราก็ทําไปตามหน้าที่ไปใครจะว่าใครจะดา่าใครจะชมใครจะนินทามันก็ไม่มีผลอะไรนี่มันก็ดีอารมะเวลามันเกิดขึ้นอารมณ์เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไงบ้างดีหรือไม่ดีอาุมณ์คือ ความไม่โกรธไม่พยาบาทความรู้จักให้อภยัยความรู้จักเห็นใจคนอื่นรู้จักเมตตาคนอื่นเป็นเพื่อนเป็นมิตรมองกันด้วยความปรารถนาดีต่อกันมันดีหรือมันไม่ดีพิจารณาดูอ่ามันก็ดีอะโมหะความรู้ความเข้าใจความไม่หลงเนี่ยความรู้ความเข้าใจรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้อง เห็นเห็นกันอยู่ว่า เ, าเกิดมาแล้วต้องตายได้มาแล้วต้องเสียไปเราอยากได้อะไรเราก็ทำเอาตามกำลังตามแรงไม่มีอะไรที่เป็นของขลังเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสกให้เราได้เราต้องทำเอาเองหรือว่าช่วยเหลือกั น, นอยากให้งานสาเร็จก็ช่วยเหลือกันจะบอกว่ามีของศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ก็พวกเราเองนั่นแหละมือสองข้างสมองหนึ่งสมองขาสองขานั่นแหละคือศักดิ์สิทธิ์ ถ้าขยันช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันมีเหงื่อใครออกมาหรือว่าทุ่มเทกันแล้วมันก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ฉันเหงื่อเราที่ออกมาการช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกันเองก็เรียกว่ า, านั่นแหะนั่นแหะคือของที่มันศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของที่มันสามารถสร้างสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้จะบอกว่าเป็นผู้สร้างอย่างนี้ก็ได้นะก็เหงื่อเราเองอะไรเราเองนั่นแหละ พระพุทธเจ้าท่านดึงสอนพวกครหัดอยู่เสมอว่านี่พวกครหัดที่อยู่คลองเรือนนี่นะทํางานหาเงินเนี่ยทําด้วยหยาดเหงื่อแรงกายมีเหงื่อท่วมตัวหามาได้ด้วยกําลังแขนเนี่ยพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการหาเงินหาทองในการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขที่จะได้เงินมาเนี่ยก็คือแรงขาแรงแขนเหงื่อใคลของเราที่ ใส่ลงไปทุ่มลงไปนั่นเองเนี่ยเมื่อได้มาแล้วก็ใช้สอยตามความเหมาะสมนะพระพุทธเจ้าจึงสอนเราเครื่องหัดตั้งหลายเราเครืงหัดตั้งหลายนะทำงานหาเงินด้วยกำลังแขนใช้หยาดเหงื่อทุ่มเทลงไปจนได้เงินมาแล้วก็ใช้สอยให้มันถูกต้องได้มาแล้วก็เลี้ยงตนเองให้มีความสุขเลี้ยงบิดามารดาให้มีความสุขเลี้ยงญาติพี่น้องให้มีความสุข เลี้ยงบริวารให้มีความสุขเก็บเหลือไว้ทำบุญบ้างตามสมควรแล้วก็เหลือไว้ทำทุนต่อไปอีกหน่อยอย่างนี้นะอันนี้อันนี้แหละก็คือความรู้ความเข้าใจหรือว่าอะโมหะความไม่หลงนะก็ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องตั้งแต่ขั้นต้นตั้งแต่การมีชีวิตอยู่ตามสมควรจนกระทั่งรู้เข้าใจธรรมดาธรรมชาติของชีวิต นะชีวิตเราจะเป็นไปได้ก็ด้วยกําลังแรงกายแรงใจของเราที่ฝึกฝนตนเองนะอย่างแม้แต่การศึกษาเรื่อเรียนหรือว่าจะมีศิลปะในการทํามาหากินทางด้านร่างกายนี้นะเราจะอยู่รอดเราก็ต้องอาศัยคนนั้นบ้างอาศัยคนนี้บ้างมาจนกระทั่งไปเข้าโรงเรียนแล้วก็ไปเข้ามาหาวิทยาลัยเรียนจบมามาทํางานก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็ต้องหัดไปฝึกฝนไป จนกระทั่งเป็นแล้วพอเป็นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่ช่วยเราได้อันแท้จริงจะบอกว่าโอ้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยก็ได้ไอ้สิ่สงศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งที่พูดมาทั้งหมดจนกระทั่งเราทํางานได้นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันเดียวเดียวหรือว่าเก่งคนเดียวมันไม่มีมีแต่หลายหลายคนเสียงคนนั้นบ้างเสียงคนนี้บ้างหนังสือเล่มนั้นบ้างหนังสือเล่มนี้บ้างประสบการณ์ด เราเติบโตสามารถช่วยเหลือตนเองได้นะฉะนั้นเราก็สามารถระลึกนึกถึงคุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของใครใครที่ช่วยเหลือเราให้เราพออยู่รอดได้อย่างนี้นะการเข้าใจอย่างนี้เนะี่ยเรียกว่าเป็นความไม่หลงนะคือเราไม่ออกนอกตัวเองไม่เอาความรับผิดชอบต่างๆไปไว้ที่คนอื่นส่วนใหญ่เราทั้งหลายชอบเอาความรับผิดชอบไปไว้ที่คนอื่น ทั้งๆ ท, ท, ที่เราจะได้อะไรมาก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจทําเอาแต่เวลาได้มาแล้วบางทีไปโยนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพวกนี้โยนไปให้เทวดาไปว่าอู้เทวดาท่านอุตส่าห์ช่วยเราจนประสบความสําเร็จอย่างนี้นะบางคนเขาทํางานเขาอยากได้เลื่อนขั้นเขาก็ทำงานไปแถมไปบนท่านเทวดาไปด้วยเขาทํางานไปพอได้เลื่อนขั้นไปยกความดีให้กับเทวดาท่านสิทั้งๆ ท, ท, ที่ได้เลื่อนขั้นนั้นเพราะว่าเขาทําเขา ใช้แรงกายของเขานั่นเรงทใช้แรงความคิดของเขานั่นแหละทำเราไปโยนความดีให้เทวดาท่านทั้งทั้งที่ท่านอาจจะรู้เรื่องด้วยหรือไม่รู้เรื่องด้วยก็ไม่รู้เพราะว่าเทวดาก็คงไม่เก่งด้านการงานของมนุษย์หรอกนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเหมือนเราชำนาด้านหนึ่งอย่างทูบายฟัวก็ชำนาญด้านไหนด้านถั่วใช่ไหมเออด้านถั่วด้านถั่วเอ่ามหาพันธ์ก็ทํางานด้านนี้ด้านนี้ การแต่ละคนก็ชํานาญไม่เหมือนกันแล่ะนะฉะนั้นตัวความชํานาญหรือว่าตัวความพร้อมในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราให้มีเงินทองมีการที่จะเลี้ยงตนเองได้นั่นแหละเขาเรียกว่าเลิกดียามดีสําหรับคนนั้นพวกดวงดาวพวกข้างขึ้นข้างแดมจะมาทําอะไรได้แต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็คงจะหลงไปนะหลงโดยส่วนใหญ่นะ ก็อ้าวเรกดีเวลาเก้าโมงเก้านาทีเก้าวินาทีเนี่ยต้องมีเก้าเข้าไปเนี่ยรกดีอามดีของเขาแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็ความสามารถในการทํากิจการงานนั้นให้มันประสบความสําเร็จความพร้อมนั่นแหละเป็นตัวเรกนะถ้ามีอันนั้นแล้วก็ไม่ต้องรอดวงดาวดวงอะไรหรอกเพราะว่าพวกที่รอดวงดาวแขวนคอรอดูอยู่ประโยชน์ก็จะล่วงเลยเข้าไป เพราะว่าอา้าวพร้อมแล้วสมควรจะทําในเวลานี้อา่าต้องรออีกสองวันเพราะว่าเลิกมันยังไม่พร้อมอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรทั้งๆที่ควรจะทําสําเร็จตั้งแต่สองวันที่แล้วต้องไปรออีกตั้งสองวันเสียประโยชน์ไปตั้งมากมายนะดัะนั้นถ้าบอกว่าเลิกไม่ดีก็คือความพร้อมมันยังไม่พร้อมนั่นเองถ้าเลิกดีก็ก็คือความพร้อ ม, ม, ย ม, อ, ม, อ, ม, อ, มอย่างถูก b บ four เขาพามาเนี่ยนะเลิกดีสําหรับการออกเดินทางก็คือ นับจานวนคนซะก่อนเฮ้ยครบคนแล้วเว้ยอย่างนี้ก็เลิกดีแล้วออกไปออกออกถ้านับจานวนยังไม่คคนยังไม่ครบนี่นะอย่าออกนะเลิกไม่ดีเพราะว่ายัางมีคนบางคนมันติดอยู่ที่นูน่นที่นี่หรือว่าบางคนเอาของเข้ามากุญแจห้องยังไม่คืนเขาอันนี้เลิกไม่ดีต้องเอาไปคืนเขาก่อนอย่าเพิ่งออกนี่อันนี้การใช้ชีวิตอย่างไม่หลงอโมหะนี่มันทาให้เกิดความรื่นรมหรือว่าทาให้เกิด ความเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องรอว่าเอ๊ะคนนั้นจะให้คุณให้โทษอะไรกับเราก็การกระทำการคิดการพูดของเรานี่แหละเป็นตัวให้คุณให้โทษนะถ้าเราคิดถูกนะแค่คิดถูกเนาะก็สบายสมองไม่เครียดไม่วิตกกังวลแล้วพูดถูกก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังเพื่อนมิตรก็มีครบถ้วนเข้าใจกันนะ หรือว่าทําถูกนะสิ่งต่างๆก็ดีงามขึ้นอันเนี้ยพระเวทีเจ้าท่านถามชาวเกสาพุทะเนี่ยไม่หลงเน่นะมีการใช้ชีวิตชนิดที่ไม่หลงมีปัญญาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีล่ะเขาก็บอกมันดีมันดีเ น, นี่ยฉนั้นอันไหนไม่ดีนี่นะใช้ชีวิตด้วยความมีโลภะโทสะโมหะมันไม่ดีให้ละไปให้ฝึกหัดแล้วละมันไปส่วนนนั้ใช้ชีวิตด้วยความดีด้วยความถูกต้องด้วยอโลภะอะโทสะอโมหานี่มันเป็นกุศล เป็นฝ่ายดีเป็นการใช้ชีวิตด้วยความฉลาดด้วยความเข้าใจจะทําให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาฝึกฝนอันนี้นีฝึกฝนอันนี้นี่เห็นไหมฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเชื่อว่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องอ้างคนนั้นคนนี้ก็ได้ก็ดูจากชีวิตเรานี่แหละนะพระพุทธเจา้าท่านตึงเตือนเหลือเกินว่าสิ่งทั้งหลายนี่นะมันเป็นของ สิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงยังกิดทุกอย่างเนีสิ่งไหนที่ยังไม่ดียังไม่ถูกต้องยังไม่ได้ละมันก็ให้มีความไม่ประมาทมีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตเราก็จะละมันไปเมื่อละมันไปความทุกความวิตกกังวลต่างๆหรือว่าโทษภัยที่มันเกิดขึ้นจากการทำผิดๆจากการพูดผิดๆจากการคิดผิดๆมันก็ลดลงลดลง เราก็จะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขเพิ่มขึ้นส่วนความดีความฉลาดที่ยังไม่ได้ทำก็ฝึกเพื่อให้มันได้ทาได้มีขึ้นได้เห็นถูกต้องขึ้นคิดก็ถูกทำก็ถูกพูดก็ถูกความทุกข์มันก็หายไปความสุขมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาตามลำดับนะคาว่าสุขนะก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วก็คือพอเป็นไปได้พอทนได้ ส่วนจะหาความสุขแบบบูบวาบหรือว่าสุขตลอดแบบดูหนังโหดโหดแล้วก็ปราบปลื้มอะไรงนั้นนะแบบเราเนี่ต้องโหดโหดนะตอนสมัยแรกๆ ก, ก็หนังสารพงษ์ชาตรีก็ฆ่ากันคนสองคนพอหนังยุคใหม่ๆก็ต้องฆ่าทั้งโลกเลยทานองนี้นะดูโหดขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อันนั้นมันไม่มีจริงหรอกสุขแบบนั้นนะสุขแบบบูบวาบตามการกระทบทษะ ซึ่งเราคงนิยมหากันอยู่แต่มันไม่มีจริงนะฉะนั้นให้ยอมรับความจริงแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับลักษณะไหนจึงชื่อว่าเป็นคนประมาทก็คือใช้ชีวิตอย่างขาดสติอย่างหลงลืมอย่างไม่รู้ว่าตัวเองมีอยู่ในโลกนี้นะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่แล้วตัวเราเองมันจะหายไปจากโลกนี้สังเกตไนมะนะถ้าเห็นหมาวิ่งมาตัวหนึ่งเราจะรู้ไหมว่าเรานั่งอยู่ เรากําลังคิดกําลังนึกอยู่ไม่รู้เลยเนาะรู้แต่ว่าหมามันกําลังวิ่งเนีย่ยเห็นไหมตัวเองนี้จะหายไปการที่ตัวเราหายไปจากโลกอันนี้เรียกว่าใช้ชีวิตแบบหลงลืมนะเหมือนเราดูหนังดูละครอย่างนี้นะถ้าเราหลงดงลงไปตามหนังละครเราก็จะรู้แต่ว่าเอนางเอกมันพูดว่าอย่างนี้นางร้ายพูดว่าอย่างนี้ตกตีกันอย่างนั้นอย่างนี้รู้แต่เรื่องในทีวีในละครนั่นแหละแต่ตัวเราพูดที่นั่งดูอยู่ รู้สึกสุขรู้ทุกข์รู้สึกเกรียดรู้สึกอิจฉามันเดือดร้อนแทนมันนี่เราจะไม่รู้ตัวแล้วตัวเราจะหายไปจากโลกนี้เนี่ยการที่เราใช้ชีวิตแบบตัวเองหายไปจากโลกหลงลืมตัวเองไปนี่เขาเรียกว่าขาดสติเป็นคนประมาทนะฉะนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่แล้วพากันประมาทคือไปสนใจแต่เรื่องข้างนอกกาไรขาดทุนคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ มันหลงลืมตนเองไปแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะได้ทํากิจทุกอย่างให้มันสําเร็จให้โดยถูกต้องด้วยความระมัดระวังจะได้มีการศึกษาเรียนรู้ได้นะอันนี้แหละเราจึงต้องมาฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตให้ไม่ประมาทคําว่ามีสติมีความรู้ตัวก็หมายถึงว่าเราไม่ลืมตัวเอง ไม่ลืมว่าตนเองกําลังทําอะไรอยู่ไม่ลืมว่ากําลังรู้สึกอะไรอยู่นะฉะนั้นต้องฝึกต้องหัดนะว่าปกติโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นใช้ชีวิตแบบหลงลืมมานานแล้วนะทีนี้วิธีการฝึกฝนให้เป็นคนมีสติมีความไม่ประมาทท่านก็บอกวิธีเอาไว้แล้วก็แจกแจงข้อยอ่อยๆเอาไว้เยอะอยากจะพูดให้ฟังบ้างนิดหน่อยเราก็ชอบบันไหนก็เอาไปฝึกน ะ, นะก็ใช้กายใช้ใจเรานี่แหละ เป็นเครื่องเตือนตนเองให้เรารู้ว่าอตอนนี้กายเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราไปใจเราเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่หลงไปที่อื่นมากเกินไปต่อไปเวลามันชินกายเราขยับเปลี่ยนแปลงยังไงใจมันขยับเปลี่ยนแปลงยังไงมันก็รู้ตัวขึ้นก็จะไม่หลงออกไปข้างนอกก็การที่เราเป็นทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าใจเรามันหลงออกไปข้างนอกหลงออกไปข้างนอกมันก็เอาทุกข์ก็มาหาตนเองแต่ถ้าเราอยู่กับตนเองภายในมีความรู้ตัวอยู่ มันก็จะเกิดความสุขขึ้นนะเมื่อมีความสุขขึ้นภายในความสุขจากภายในก็จะกระจายออกไปข้างนอกมันไม่ได้เป็นการไปหาความสุขจากที่อื่นเป็นการฝึกตนเองให้เป็นตัวความสุขนั่นเนี่ยแล้วก็กระจายความสุขออกไปข้างนอกไม่ได้ไปหาความสงบจากที่อื่นแต่เป็นการฝึกฝนให้ตัวเองนั้นเป็นตัวความสงบเป็นตัวความร่มเย็นแล้วแผ่ความสงบความร่มเย็นออกไปข้างนอกนะ ฝึกฝนไม่ได้ไปหาความรู้จากที่อื่นแต่ฝึกฝนให้ตัวเองนั่นแหละเป็นบ่อเกิดของความรู้เป็นบ่อเกิดของปีชาญานหรือว่าบ่อเกิดของคําพูดของศิลปะในการใช้ชีวิตที่มันถูกต้องดีงามแล้วก็กระจายศิลปะอันนี้ออกไปให้คนอื่นได้เห็นผ่านคําพูดผ่านการกระทําผ่านการแสดงความเห็นต่างๆอันนี้นะนี่เราฝึกอย่างนี้แต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่ไปเอามาจากข้างนอก ความรู้ก็เอามาจากข้างนอกเอามาพูดพูดพูดพูดอพอลืมแล้วอา้าวหายแล้วหายหมดนะอันนั้นมันยังไม่ใช่ของจริงนะครับชาวนาก็ต้องฝึกฝนด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้นะความรู้อันแท้จริงนี้จะเกิดจากข้างในความสงบอันแท้จริงก็จะเกิดจากข้างในความสุขอันแท้จริงก็จะเกิดจากข้างในเหมือนกันนะครับ พิธีที่ท่านให้ฝึกฝนเป็นคนไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะก็ใช้กายใช้ใจเรานี่แหละคอยเตือนตนเองให้มารู้อยู่ที่กายที่ใจของตนเองกายก็มีอะไรบ้างละ่ะแล้วแต่เราชอบนะผมจะพูดไปเรื่อยเราก็เอาไปหัดก็แล้วกันคนไหนชอบอันไหนก็เอาอันนั้นหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าเราชอบวันนี้ก็อ๋อนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่หายใจเข้านี่หายใจออก แต่ด้วยความเคยชินที่เราชอบหลงไปเรื่องอื่นแป๊บเดียวมันก็ลืมดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้ววันวันหนึ่งนั้นเราหายใจเข้าหายใจออกกี่ครั้งโอ้เยอะมากเนาะเยอะมา ก, กเลยเินนะลองไปคูณดูก็ได้แต่ว่าวันวันหนึน่งเรารู้ว่าตัวเองหายใจเข้าหรือหายใจออกกี่ครั้งบางคนไม่รู้เลยนะต้องไปรู้อีกทีตอนจะหายใจไม่ออกแลหรือว่าหายใจออกจะหมูข้างเดียวแล้วนะตอนจะไม่ไหวแล้ว ทั้งๆที่หายใจเข้าหายใจออกมันมีประจําอยู่แล้วเดินยืนนั่งนอนเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งนี้เราเดินกี่ครั้งเดินกี่ก้าวเยอะมหาศาลเหมือนกันเนาะเดินไปเดินมาซ้ายขวาซ้ายขวาเยอะมากเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าเรากําลังเดินเดินซ้ายเดินขวาก็ไม่ค่อยรู้เนี่ยฉะนั้นเราก็เอาการเดินนั้นมาเตือนตัวเองว่านี่กําลังเดินอยู่นะซ้ายขวาซ้ายขวาให้รู้ตัวว่ากําลังเดินอยู่ วันวันหนึ่งเราก็ยืนกี่ครั้งหลายครั้งมอนกันนั่งกี่ครั้งหลายครั้งมอนกันนอนก็หลายครั้งมอนกันนะนอนก็หลายครั้งบิดไปบิดมาหลายเที่ยวอยู่แต่บางคนก็หลงลืมไปหมด น, นี่ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็อิริยาบถใหญ่ๆเดินยืนนั่งนอนหรือว่าอิริยาบถย่อยๆที่ไม่ไปทั่วร่างกายเป็นไปเฉพาะบางส่วน แขนเราเคลื่อนกี่ครั้งนิ้วเรากะดิกกี่ครั้งตากระพริบกี่ครั้งวันหนึ่งวันหนึ่งอู้เยอะมากนะการที่เคลื่อนไม่ทั้งกายอันนี้อิริยาบถเยอะๆในร่างกายเราขานนิ้วกะดิกตากระพริบเราตื้นน้าลายนุ่งห่มเสื้อผ้ากี่ครั้งเข้าห้องน้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะล้างหน้าแปลงฟันโอ้เยอะแยะนะ ให้มีความรู้ตัวในตานทํากิจกรรมนั้นๆว่านี่เรากาลังทําอันนี้อยู่อย่ามัวแต่หลงเพลินไปภายนอกสมมุติว่าอา้าวตื่นช้ามาเขานัดเจ็ดโมงเรารีบซะแลให้รู้ว่าตัวเองรีบแล้วก็รู้ว่าตัวเองทําอย่างนี้อย่างนี้โดยความรีบไม่ต้องไปสนใจข้างนอกว่าข้างนอกนั้นมันต้องรู้อยู่แล้วว่าอา้าวนี่คนนัดเวลานั้นเวลานี้นี่ให้รู้ตัวเองเข้าไว้นะครับนี่นะหายใจเข้าหายใจออก ถ้าคนไหนยังไม่เคยลองก็ลองหัดดูก็ได้เดินยืนนั่งนอนแล้วก็อิริยาบถ ย, ย่ยอยๆเยอะแยะมือเคลื่อนไหวไปมาขากระดิกไปกระดิกมากับพิบตากลืนน้ำลายเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยทั้งหมดนี่แหละทั้งชีวิตเราเป็นเครื่องฝึกฝนได้อันนี้เ็าเรียกว่าดูกายพิจารณากาย ตามดูกายของตนเองและลึกที่กายของตนเองภาษาธรรมะเรียกว่ากายานุปัสนาต่อไปก็เวทนาความรู้สึกความรู้สึกที่กายอ้าวตอนนี้กายสบายดีเยน็นเย็นดีนะตอนมาแดดร้อนก็อ้าวร้อนๆอน่ะตอนนี้นั่งนานก็อ้าวปวดหลังเนี่ยสบายกายไม่สบายกายต่อไปทางใจเห็นคนนั้นเราชอบอ้าสบายใจ เห็นคนนี้เราไม่ชอบไม่สบายใจเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดปีติโสมนัสเกิดความเศร้าใจอันนี้เป็นความรู้สึกรู้สึกสุขทางใจทุกข์ทางใจหรือว่ากระทบอารมณ์ธรรมดาทั่วไปก็เฉยเฉยเนี่ยนะให้เตือนตนเองมาดูที่ความรู้สึกนั้นะอันในชัดเราก็ดูอันนั้นสังเกตอันนั้น ถ้าสังเกตไม่ได้มันหลงลืมไปเราก็รู้ว่าเอ้าวนี่มันหลงลืมไปแล้วเนี่ยก็ให้มาดูใหม่อย่างนี้นะนี่ไปกายแล้วต่อมาก็มาเวทนาเวทนาก็เรียกตามชื่อว่าเวทนานุปัสนาการตามดูเวทนาต่อมาตามดูจิตจิตตานุปัสนาจิตใจเรานี่มันมีเยอะวันหนึ่งวันหนึ่งนะจิตมีราคะมีความชอบอันนั้นอันนี้เห็นของที่สวยๆก็เกิดความชอบให้รู้ว่าชอบ บางทีไม่มีราคะบางทีมีโทสะมีความไม่พอใจมีความไม่ชอบมีความโกรธความขัดเคืองเกิดขึ้นก็ให้รู้บางครั้งไม่มีบางครั้งหลงไปจิตมีโมหะไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้ยาวไปเลยบางทีเรื่องไม่มีอะไรนะตนเองนอนอยู่ที่ห้องโน่นไปคิดถึงอะไรก็ไม่รู้คิดถึงที่ทำงานบ้างคิดถึงที่บ้านบ้างคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างคิดถึงอะไรอะไรไปเยอะแยะมากมาย มันหลงไปคิดเรื่องอื่นก็ให้รู้ว่าอ้าวนี่มันหลงไปแล้วเนี่ยนะอย่างนี้บางครั้งจิตหดหูเศร้าซร้อยบางครั้งฟุ้งซ่านบางครั้งกลัวบางครั้งอ่อนแอไปบางครั้งเศร้าบางครั้งเบื่อบางครั้งมีสมาธิดีสงบดีก็ให้รู้บางครั้งไม่ค่อยมีสมาธิมันมีแต่ฟุ้งซ่าน่ะบางทีจิตใจมีกิเลสเยอะแยะ วุ่นวายเตมไปหมดบางครั้งรู้สึกไม่มีกิเลสรู้สึกสบายดีก็ให้รู้นะอันนี้นะครับการตามดูจิตใจตนเองอันนี้เขาเรียกว่าจิ ต, ตานุปษษัสสนาการตามดูจิตต่อไปก็ทำมานุปษษัสสนาทำมานุปษษัสสนาตามดูธรรมะเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่มันเกิดเกิดแล้วก็ล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นในจิตใจเราก็เหมือนกัน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็เหมือนแขกผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความโกรธเกิดขึ้นเป็นเหมือนแขกแต่อาจจะเป็นเราเรียกเขาว่าแขกดำนะความดีใจเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นก็เหมือนแขกเป็นสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่อาจจะบอกเขาว่าแขกขาวแขกแขกก็คือแขกนะผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปอะไรที่มันเกิดล้วนแต่ผ่านไปทั้ง น, น, นั้นเนี่ยตามดู ว่ามีแต่สิ่งผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปอันนี้เรียกว่าพัมมานุปัสสนานะฉะนั้นการตามดูหรือว่าการฝึกให้มีความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นี่นะเป็นวิธีการที่ฝึกฝนโดยใช้กายใช้ใจเรานี้เป็นที่ตั้งให้เกิดความรู้ตัวตามดูกายกายานุปัสสนาตามดูเวทนาเวทนานุปัสสนาตามดูจิต จิตตานุปัสสนาตามดูธรรมะธรรมานุปัสสนาะแต่ที่จริงก็คือตามดูกายดูใจของเรานั่นเองนะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เห็นใจิตใจของเราเองก็กายเรามีอะไรให้ดูบ้างหายใจเข้าหายใจออกก็เตือนตอนเองให้ได้บ่อยๆว่าตอนนี้มันหายใจเข้าหรือหายใจออกเตือนตอนเองบ่อยๆว่าตอนนี้มันเดินหรือมันยืนมันนั่งหรือว่าทากิริยาอาการใดๆกายเรานี้ อันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงสังเกตอันที่มันชัดรู้สึกถึงอันที่มันชัดอย่างนี้เรียกว่าฝึกให้เป็นคนมีสติการใช้ชีวิตอย่างมีสติเรียกว่าไม่ประมาทนะเมื่อมีสตินะพวกศีลสมาธิปัญญาจึงจะเกิดนะเมื่อมีสติรู้เท่าทันจิตใจตนเองนะเห็นเจตนาในใจตนเองอ้าวเราคิดอย่างนี้นี่เลยมาทําอย่างนี้เจตนาอย่างนี้นี่เลยมาทําอย่างนี้พอมันเห็น เห็นบ่อยๆเข้าความคิดหรือว่าเจตนาในใจก็หลอกเราไม่ได้เราสังเกตไหมถ้านั่งๆอยู่ดีๆหรือ se ว่าค่อยๆหัดดูหัดสังเกตไปเราจะเห็นว่าความคิดเรามันหลอกเราอยู่เร um ื่อยนะต่อมาเราดูมันบ่อยๆสังเกตมันบ่อยๆเราก็ไม่เชื่อมันพอไม่เชื่อมันมันก็หลอกเราไม่ได้ละเจตนาไม่ดีออกไปละความคิดไม่ดีออกไปไม่ทาตามมันก็กลายเป็นคนมีศีล รู้เท่าทันจนละอคติในจิตในใจตนเองละเสียงพูดในหัวคำว่าละก็ไม่ใช่หมายความว่าไปทำลายมันทิ้งหรอกก็หมายถึงว่าไม่เชื่อมันมันบอกว่าดีก็ไม่ได้เชื่อมันมันบอกว่าชั่วก็ไม่ได้เชื่อมันมันบอกว่าน่าเอาก็ไม่ได้เชื่อมันมันบอกว่าไม่น่าเอาก็ไม่ได้เชื่อมันเห็นว่าอันนี้นะมันเป็นอคติในใจเรานะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะการที่ จิตใจมีความตั้งมั่นไม่หลงไปตามความชอบความไม่ชอบอันนี้เขาเรียกว่ามีสมาธิมองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเห็นความจริงได้อย่างนี้นะครับนี่พอเข้าใจไหมการไม่ประมาทจะได้ทำกิจทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้นะมาที่นี่ก็ให้ฝึกฝนให้เป็นคนไม่ประมาทจะได้เป็นที่พึ่งของตนเองในด้านจิตใจได้ เราทั้งหลายนี้เติบโตมาขนาดนี้ทางด้านร่างกายคงจะพึ่งตัวเองได้แล้วเนาะตอ น, น, นแรกด้านร่างกายก็พึ่งไม่ได้เหมือนกันนะเขาเอาไปวางเลยตายเรียบเลยนะเราเนี่ยไม่เหมือนวัวไม่เหมือนควายนะพูดง่ายๆก็ถ้าพูดแบบอดทนหน่อยก็บอกว่าไม่เก่งเท่าวัวเท่าควายนะมีพูด ด, ด, ยยพด้านร่างกายด้านกายภาพด้านร่างกายพวกวัวพวกควายนีย้มันคลอดออกมาปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวตันเนะองไงกินหญ้าเป็นแล้วไม่ต้องเข้าโรงเรียน ของเราเนี่โอ้โหนะเกิดมาแล้วนี่ลำบากลำบนมากนะกว่าจะถ่ายอุจจระปัสสาวะเป็นที่เป็นทางเป็นไงโอ้โหยากมากนะไปถ่ายรถพ่อรถแม่ไม่รู้กี่เที่ยวตัวกี่เที่ยวกว่าจะทำเป็นกินข้าวก็กินไม่เป็นนะวัวมันยังเก่งกว่าเองอนะกินหญ้าไม่ต้องสอนนะเราเนี่ยกินข้าวกว่าจะกินเองเป็นเนี่ยโอ้โหลำบากลำบนมากเล น, นะยากมาก กว่าจะยืนเป็นกว่าจะนั่งเป็นกว่าจะทำนั่นเป็นทำนี่เป็นนุ่งห่มเสื้อผ้าเป็นโอ้ยากนะผ่านชีวิตมาเยอะทีนี้ก็โตขึ้นก็ไปเข้าโรงเรียนไปพึ่งคนนั้นพึ่งพน น, น, พพ น, นี้กว่าจะทำงานเป็นหากินด้วยตนเองได้ผ่านอะไรมาหลากหลายต้องฝึกต้องหัดเอาทั้งนั้นนะนี่ด้านร่างกายนะตอนนี้เราก็คงโตแล้วพึ่งตนเองในด้านร่างกายได้ส่วนด้านจิตใจก็เหมือนกันนะ ต้องฝึกฝนจริงจะพึ่งตนเองได้ไม่อย่างนั้นเราก็คงจะไปพึ่งคนอื่นพึ่งอะไรบ้างละ่ะพึ่งหมอดูพึ่งวันนั้นพึ่งวันนี้ออกรถก็ต้องวันอังคาร น, นะอย่าไปออกวันพุธมันจะไม่ดี <c oughs> ไปพึ่งอะไรเขาอีกนะจะไปนั่นไปนี่ก็เลิกงามยามดีนะอะไรก็ไม่รู้แล้ววนเวียนกันไปเห็นไหมด้านจิตใจก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรนั่นอะไรนี่จะให้คุณให้โทษเราเยอะแยะเต็มไปหมดนะ ต้องกราบกรานอ้อนวอนถ้าไม่กราบเขาก็กลัวเขาจะหักคอเอาหรือว่าตัวเขาจะทําอันตรายเราเหมือนเราเห็นต้นไม้ถูกผ้าเอาไว้เนี่ยถ้าจะผ่านไปเฉยๆก็กลัวเขาจะตีหัวเราเนา ะ, ะว่ายสักหน่อยนั่นมันก็ว่ายไปทั่วนะอันนี้เพราะว่าใจของเรานั้นยังไม่มีที่พึ่งเราก็หาที่พึ่งอันนั้นอันนี้ข้างนอกนะครับจนกระทั่ง หารูปดีๆหาเสียงเพราะๆหาความสุขความสงบหาทัศนคติอุดมคติมายึดถือเอาไว้เพื่อให้มันเป็นสุขอันนี้เห็นนะมมันไม่มีที่พึ่งนะครับฉะนั้นใจที่จะมีที่พึ่งเป็นที่พึ่งของตนเองได้ก็ต้องฝึกที่จะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงก็เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยศีลด้วยสมาธิและด้วยปัญญาโดยเฉพาะสูงสุดคือมีปัญญานะ เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของผ่านมาและผ่านไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปลกปลุนอันนี้ก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงสามารถพึ่งตนเองได้สามารถเป็นผู้ที่แข็งแกร่งะเป็นผู้ที่มั่นคงเพราะว่าเห็นความไม่มั่นคงบ่อยๆอย่างนี้ก็จะกลายเป็นผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้ในด้านจิตใจเยพอเข้าใจไหม ด้านร่างกายพอเราพึ่งตนเองได้เราก็เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ด้วยหาเงินหาทองช่วยเหลือลูกหลานอะไรก็ว่ากันไปเลี้ยงคนนั้นเลี้ยงคนนี้ได้ในด้านจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าสามารถพึ่งตนเองได้ก็สามารถที่จะให้คนอื่นมาพึ่งพาอาศัยหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างตามสมควรไปนะแต่ถ้าเรายังพึ่งตนเองไม่ได้ก็อย่าไปมุ่งหวังหรือว่าอย่าไปคิดเรื่องพึ่งคนอื่นเพราะว่าเราทุกคนโดยปกติแล้วก็กําลังจะจมน้ํา กำลังจะจมพอเราคิดจะไปช่วยคนอื่นคนอื่นกําลังจะจมแล้วเราก็กําลังจะจมอย่เหมือนกันพอไปช่วยเขาเป็นไงจมเลยนะฉะนั้นอย่าไปช่วยเขานะให้ช่วยตนเองก่อนเวลาเห็นเขาทุกก็อย่าไปทุกข์กับเขาให้ฝึกฝนตนเองให้รู้จักความทุกข์ก่อนว่าเออความทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะถ้าเรามีเจตนาดีหรือว่าไม่ทุกข์ไปกับเขา ก, ก็สามารถช่วยเขาได้เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่นี้ถ้าเราอยู่คนเดียว มันก็ไม่จมอะไรมากนะเนียก็อยู่คนเดียวก็เงียบได้อะไรได้พอมาเจอกันสองคนเป็นไงนินทาชาบ้านเลยนั่นเห็นไหมอยู่ตัวเองคนเดียวนะกําลังจะจมทีเดียวเนี่ยปลิมน้ําแล้วพอมาอยู่กันสองคนปั๊บจมทันทีจมทุกทีเลยเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เพอเจออะไรเพราะว่าเดี๋ยวเพ้อคนเดียวเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าเอามันก็เกือบจมแล้วพอมาอยู่สองคนเป็นไงเอาแล้วทีนี้หาเรื่องมา ตลกโปกฮาเพื่อเจอกันแล้จมไปเลยอย่างนั้นก็เป็นซะอย่างเนี้ยยิ่งหลายคนยิ่งจมหนักขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะอย่างนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นกันอย่างนี้ฉะนั้นเราอย่าได้หมายไปพูดถึงการช่วยคนอื่นเพราะว่ามันจะช่วยให้เขาจมง่ายขึ้ น, นโดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นเรากับเขาก็พอๆกันพอเจอกันที่ไรก็ฟุ้งซ่านทุกทีมันไม่มีเรื่องอะไรมากอ่ะพอเจอกันก็หาเรื่องมาคุยทุกทีทั้งๆที่ปกติมันไม่ได้มีอะไรนะ ฉะนั้นก็ฝึกฝนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ซะก่อนพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นคลเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้บุคคลมีตนที่ฝึกฝนดีแล้วนั่นแหละจึงจะได้ที่พึ่งอันได้แสนยากที่พึ่งนี้มันได้ยากนะแม้แต่ด้านร่างกายเรานี้เห็นไหมเนี่ยดูด้านกายภาพนี้ก็ยากมากกว่าที่จะทํามาหากินได้ด้านจิตใจก็เหมือนกันนะ ต้องฝึกฝนให้เป็นคนตรงต่อธรรมะจึงจะได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากธรรมะมันไม่เที่ยงของจริงมันไม่เที่ยงเนี่ยต้องฝึกฝนให้ยอมรับมันได้ให้เกิดศีลเกิดสมาธิปัญญาจนกระทั่งยอมรับมันได้ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยพระอริยสาวกเราจึงสวดให้ท่านอยู่เลยอุชุปติปันโนเนี่ยปฏิบัติจนเห็นตรงแล้วเนี่ยของมันไม่เที่ยงไอเราเนี่ยมันใจมันคดมันโค้มันงอไปทั่วของที่มันไม่เที่ยงก็อยากจะให้มันเที่ยงเห็นไหมนะ เลยไม่ได้เป็นอริยาสาวกกับเขาสักทีหนึ่งอริยะสาวกท่านปฏิบัติตรงของมันไม่เที่ยงท่านก็ว่ามันไม่เที่ยงของที่มันเป็นทุกข์ท่านก็ว่ามันเป็นทุกข์ของที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่ใช่ใครมาเสกให้ทั้งหน่อยท่านก็ว่ามันเป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้ไปหาเรื่องอนั้นศักดิ์นนสิธิ์อนุนศักดิ์สธ์อะไรที่ไหนนะท่านก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยใช้ชีวิตไปด้วยสติปัญญาตามกําลังของตนของตนไปนี่อย่างนี้เห็นไหม ที่เราสวดกันไหนนะนะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องนะมันเป็นยังไงก็ปฏิบัติต่อมันอย่างนั้นอย่างสมควรอย่างถูกต้องนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นพากันวนเวียนอยู่อย่างนี้นะดัะนั้นก็พระศ า, าสดาของเรายัางมีอยู่คือธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้ว อย่าได้ไปคิดว่าอ้าวพระาศาสดาปรินิพานไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์บอกว่าธรรมวินัยอันใดที่เราตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติเอาไว้แล้วนี่แหละเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเวลาที่พระองค์ร่วงลับไปแล้วเนี่ยเรามีาศาสดาแล้วก็มาฝึกฝนตามหนมทางที่พระองค์บอกเอาไว้ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยมีที่พึ่ง ได้ที่พึ่งอันแท้จริงอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่จะได้ที่พึ่งนี้โดยส่วนใหญ่เราก็คงไปหาที่พึ่งตรงนั้นตรงนี้เนาะนคนที่จะได้ที่พึ่งอันแท้จริงนี้เขาไม่ได้ไปหาที่พึ่งหรอกเขามาศึกษาโลกให้เข้าใจความจริงว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้มันแหละเขาจะได้ที่พึ่งอันแท้จริงนความรู้ว่าในโลกไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้ เอาใจไปไว้ตรงนั้นเอาใจไปไว้ตรงนี้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆเอาไปยึดไปเกาะที่ใดก็เป็นทุกข์เปล่าจนกระทั่งเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราไปยึดมั่นถือมั่นได้จริงไม่มีอะไรที่สามารถเป็นที่พึ่งอันแท้จริงได้อย่างนี้การรู้อย่างนี้จะได้ที่พึ่งอันแท้จริงเนี่ยเข้าใจไหมะนะซึ่งเราคงพยายามพากันทำกลับข้างอยู่เนาะ ตากันไปหาอันนั้นหาอันนี้เป็นที่พึ่งอย่างโน้นอย่างนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่่ะเรามาศึกษามาเรียนรู้มาฝึกฝนตนเองให้มองเห็นความจริงว่าในโลกมันไม่มีที่พึ่งมันเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงเมื่อเข้าใจอันนี้อย่างทราบซึ้งแล้วก็แจ่มแจ้งก็จะได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากอย่างนี้นะ